จิตใจย่อมไม่สมบูรณ์เหมือนคนที่เป็นโรคขาดอาหารและธรรมะทุกข้อที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกเฟ้นนามาสอนนั้นก็เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำการวิจัยมาแล้วว่าอาหารชนิดใดบ้างที่ร่างกายต้องการซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้พระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นอากาลิโก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 ผลจะต้องเกิดเสมอไม่มีการรอเวลาหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาว่าจะต้องเป็นสมัยนั้นสมัยนี้จึงจะมีผลดังเช่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าถ้าผู้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปด้วยบริบูรณ์ยังมีอยู่ตราบใดโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ซึ่งหมายความว่าคลของการปฏิบัติคือการได้เป็นพระอรหันต์นั้นไม่ใช่จะมีเฉพาะแต่ในสมัยครั้งพุทธกาล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 แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้นั้นก็เป็นอากาลิโกคือจะได้ผลทุกสมัยถ้าหากปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์แต่อย่างไรก็ดีความหมายตามที่ท่านอธิบายไว้ในคำพินั้นท่านอธิบายเฉพาะแต่ในแง่ว่าถ้าอาริยามรรเกิดขึ้นเมื่อไหร่อริยะผลก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นทันทีไม่มีการรอเวลา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 เป็นสิ่งที่ทันสมัยใช้ได้ทุกโอกาสเพราะเป็นหลักความจริงที่ทุกคนจำเป็นจะต้องใช้อยู่เสมอเหมือนกับอาหารและเมื่อพูดถึงในแง่ของการปฏิบัติธรรมะได้ชื่อว่าเป็นอาการลิโกหมายความว่าธรรมะเป็นสิ่งที่คนเราจะต้องปฏิบัติอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนๆเพราะโดยธรรมดาคนที่ดีในใจจะขาดธรรมะไม่ได้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 ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็ต้องพูดว่าเมื่อเราปฏิบัติตามมรตมีองค์8ไปจนกระทั่งมรต่ละข้อสมบูรณ์คือในตัวเรามีมรตทั้ง8ดพร้อมหมดทุกอย่างเช่นความเห็นชอบความดําริชอบการพูดชอบเป็นต้นมรตเหล่านี้แต่ละข้อมีอยู่ในตัวเราพร้อมและมีอยู่อย่างสมบูรณ์ซึ่งใ น, นเมื่อมรตทั้ง8สมบูรณ์เมื่อไหร่เราก็จะละสักยทิฏฐิได้เมื่อนั้น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 และเกิดทันทีในความหมายอย่างนี้ธรรมะจึงได้ชื่อว่าเป็นอาการลิโก้คาอธิบายสั้นๆดังที่กล่าวมา น, นี้ขอให้พยายามอ่านให้ละเอียดเราจะทำให้ท่านเกิดปิติโสมนัตททำให้เกิดศรัทธาภาษาธาตในธรรมและสำหรับคนที่มักจะคิดอยู่เสมอว่าเราทำความดีไม่ได้ดีไม่เหมือนกับคนบางคน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 ก็คือเวนกรรมเก่าของเขานั่นเอง